ในหน้าห้าสิบสองเลยนะเปิดไปที่หน้าห้าสิบสองห้าสิบสามตอนนี้เรากำลังเรียนประเภทของสีนประเภทของสี น, นั้นสามารถสีนเนี่ยจะนับเป็นหนึ่งก็ได้เรียกว่าสีละณนะนี่นะ นับเป็นสองก็ได้เป็นจารีตวารีตเป็นต้นนับเป็นสามก็ได้นับเป็นสามเช่นอย่างเลวอย่างกลางอย่างปนีดนับเป็นสี่อย่างก็ได้ซึ่งเมื่อวานเราก็ได้พูดถึงการนับเป็นสี่อย่างการนับเป็นสี่อย่างนี้เรียกว่าจตุกะจตุกะที่หนึ่งกล่าวถึงหานภาธยะ ศีลที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมทิติภาคยะศีลที่อยู่ในส่วนแห่งความตั้งอยู่วิเศษสภ า, าคยะศีลที่อยู่ในส่วนแห่งความพิเศษขึ้นแล้วก็นิเพธภ า, าคยะศีลที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการเจริญวิปัสสนาเพื่อชำระ ก, กิเลสจตุกาที่2กล่าวถึงศีลของพิกุเรียกว่าพิกุศีลศีลของพระภิกษุณีเรียกว่าภิกขุนีศีล ศีลของสมมาเนรเรียกว่าอนุปสัสมบันศีลศีลของขเรหัสเรียกว่าขหัตถศีลเห น, อ, น, นอันนี้เป็นจตุกะที่2จตุกะที่ ส, กสมกล่าวถึงปกติศีลอาจาราศีลธรรมดาศีลแล้วก็ปบผ้าเหตุตุกะศีลต่อไปคงมากล่าวถึงจตุกะที่ส จตุกาที่สีนั้นคือที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเลยเรียกว่าจตุปาริสุทธิสีลหรือว่าความบริสุทธิ์ของสีสีประการข้อ1เรียกว่าปาติโมฆขสังวรปาติโมฆขสังวรศีนข้อที่2เรียกว่าอินจียะสังวรศีนอย่างที่สเรียกว่า อาชีวปาริสุทธิ์ศีลและก็อย่างสุดท้ายเรียกว่าปัจจะยสันนิสิตศีลในสี่ประการนี้เรียกว่าจะตกปาลิสุทธิ์ศีลหรือความบริสุทธิ์สี่อย่างของศีลงั่นเองหรือว่าศีลที่บริสุทธิ์สี่อย่างอในสี่อย่างนั้นศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้อย่างนี้ว่าภิกษุในพระศาสนานี้เป็นผู้สํารวมแล้ว ด้วยปาติโมขสังวรอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายมาดว่าเล็กน้อยย่อมสมทานศึกษาในศึกษาบททั้งหลายดังนี้อย่างนี้ชื่อว่าปาติโมขสังวรศีนนะที่จริงแล้วข้อความนี้ควรกําหนดจดจําไว้นะตั้งแต่ว่าภิกษุในพระาศาสนานี้แสดงว่าปฏิเสธศาสนาอื่น จะเพาะในพระพุทธศาสนาของเราเท่านั้นที่มีศีลแบบนี้เนี่ยนะเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยปาติโมกขะสังบอลอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเพราะฉะนั้นอาจาระและโคจรนี้นับว่าเป็นธรรมะที่เกื้อกูลช่วยอุปการะแก่ปาติโมกเป็นอย่างมากะนะเพราะฉะนั้นไออาจาระและโคจรนั้น ช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้จเจริงบรรลุคุณธรรมชั้นสูงๆต่อไปแล้วก็คนที่จะเจริญได้รักษาศีลได้บริบูรณ์คนเหล่านั้นจะต้องเห็นภายในทั่วทั้งหลายมากว่าเล็กน้อยเนี่ยนะเรียกว่าไม่ยอมทําให้คลาดเคลื่อนไม่ยอมทําให้ตัวเองวิบัติจากปฏิโมกแม้แต่นิดเดียวไม่ยอมทําให้ตัวเองเสียหายจากศีลหรือจากศกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้เลยแล้วก็สมาทาน คำว่าสมาทานก็ถือปฏิบัติเอาอย่างพรั่งพร้อมในสิกขาทั้งหลายเห็นไหมถือเอาสิกขาบทสมาทานไม่มีส่วนเหลือพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้เท่าไหร่ก็สมาทานศึกษาประพฤตปฏิบัติตามสิกขาบทเหล่านั้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์คําว่าอาจาระและโคโจรนั้นจะได้อธิบายต่อไปข้างหน้านะมีเรื่องรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้น ตอนนี้จะพูดคําว่าปาติโมกอย่างเดียวเนี่ยนะขยายคําว่าปาติโมกสับเดียวก่อนเ อ, เอกสารที่แจกไปนี้เข้าใจว่าได้กันทุกคนที่จริงดีกาวิสุทธิมัชก็อธิบายคําว่าปาติโมกแต่ว่าในดีกาวิสุทธิมัชเนี่ยธรรมทายแจกเนี่ยดูแล้วไม่ไม่ไม่เรียบร้อยเหมือนกับในดีกาพระวินัยเลยให้ผู้การถ่ายจากดีกาพระวินัยมาให้ซึ่งเนื้อหาไม่แตกต่างกันเลย แต่ว่าสัมมวนการแปลแตกต่างกันบ้างตามแต่อาจารย์ที่แปลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นของนำมาที่จะอธิบายปาติโมกนั้นจะอาศัยทั้งสองอาจารย์คืออาจารย์ที่แปลดีกาวิสุทธิมักและก็ท่านอาจารย์ที่แปลดีกาพระวินัยเนี่ยนะคำว่าติดปาติโมกเนี่ยนะข้อความในชานวิพังอธิบายว่า คำว่าปาติโมกนั้นได้แก่ศีลอันเป็นที่อาศัยนะอันนีฟังข้อมูลอื่นๆประกอบการแต่ก่อนคำว่าปาติโมกนี้เป็นศีลอันเป็นที่อาศัยศีลที่เป็นเบื้องต้นเป็นศีลที่เป็นเจรณะเป็นศีลที่เป็นเครื่องสำรวมเป็นศีลที่เป็นเครื่องระวังเป็นศีลที่เป็นหัวหน้าเป็นศีลที่เป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายสําคัญนะ เป็นทั้งที่อาศัยเป็นเบื้องต้นเป็นจารณะเป็นสังวระเป็นระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งในสัมโมหวินโนทนีอัตกถาพระพิธรรมปีดกวิพังกระปกรเนี่ยอย่าลืมนะว่าขนาดในอภิธรรมนี่ก็มีเรื่องศีลนะใครบอกอภิธรรมไม่มีศีลไม่ได้อภิธรรมเนี่ยขยายเรื่องศีลดีนักเล ในเรื่องมารยาทเล็กๆน้อยๆ ย, ยุ้ม ๆ, ๆ, ๆ ย, ยิ้มๆเนีน่ยวินยัยบางทียังไม่พูดเท่าอภิธรรมเลยอภิธรรมมาขยายละเอียดหมดกิริยาท่าต่างเช่นมานะเนี่ยนะอธิบายเรื่องมานะว่าเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นหัวหน้าพาบินฑบัตเป็นมีมานะเกิดขึ้นได้อันท่านอธิบายรายละเอียดไว้หมดเลยอันอภิธรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องอาจาระเรื่องมารยาทเนี่ยอธิบายดี ม, มากเพราะฉะนั้นคําว่าศีลเนี่ยนะศีลที่บอกว่าเป็นที่อาศัยนี่นะ เพราะว่าคนถ้าหากว่าไม่อาศัยศีลแล้วจะประพฤติปฏิบัติเจริญกุศลธรรมชั้นสูงก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะเพราะว่าพระสูตรเนี่ยนะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยเนี่ยนะเออมีศีลเป็นที่อาศัยนะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตต่างปัญญัจาจักคุณไม่าถานนี้คุณนะอยู่คัมภีร์ไหนเอ่ยอยู่คัมภีร์ไหนนะอ๋อยู่ในคัมภีร์ในมือเราถือน่นแหละ ใครถือครับนั่นแหละอยู่ในมือเราเนคัมภีร์นั่นแหละคาถาแรกที่เรากำลังเรียนกัน่ะอะไรคือคาถาแรกในวิสุทธิมรรคอ่ะแหละนี่นะศีเลปฏิทายะนโรสปันโยเนี่ยความสำคัญของศี น, นี่นะยกจากสังยุตตนิกายชะตาสูตรเนี่ยนะที่บอกว่านะผู้มีปัญญาอาศัยซึ่งศีนเป็นต้นนะศีนเนี่ยนับว่าเป็นที่อาศัยที่มีความสาคัญมากต่อกุศลธรรมชั้นสูง หรือบางสูตรเนี่ยนะว่าดูก่อนมหาราชชนทั้งหลายอาศัยศีลแล้วพึงยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นไม่ใช่สูตรเดียวนะยังมีอีกสูตรอื่นอีกว่าอีกสูตรหนึ่งว่าดูก่อนมหาราชบุคคลเมื่ออาศัยศีลแล้วกุศลธรรมทั้งปวงย่อมไม่เสื่อมไปโดยรอบนะถ้ามีศีลดีกุศลจะไม่เสื่อมถ้ากุศลเสื่อมนี่แสดงว่าศีลดีศีลคืออะไร เจตนาศีล น, นะเดี๋ยวจะได้คําว่าศีลไปนึกถึงตัวศีลไม่ได้แย่เลยเนะเรียนไปเรียนมาได้แต่ยี่ห้อเสียหายมากเลยต่อไปศีลนั้นนี่ น, นนะชื่อว่าเป็นเบื้องต้นเมื่อกี้บอกว่าศีลเนี่ยเป็นที่อาศัยนะศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นคําว่าเป็นเบื้องต้นนี่เพราะอว่าเกิดขึ้นก่อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงชำระธรรมะคือศีลอันเป็นเบื้องต้นนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปก็บรรดากุศลธรรมทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าเป็นธรรมะในเบื้องต้นก็ศีลอันหมดจดดีแล้วและทิฏฐิอันตรงด้วยเป็นธรรมะเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่ศีลจึงนับว่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหมดเปรียบเหมือนนายช่างผู้สร้างเมือง มีความประสงค์จะสร้างเมืองย่อมชำระพื้นที่ของเมืองก่อนภายหลังจึงแบ่งที่สร้างเมืองโดยกําหนดเอาทางสามแพร่งสี่แพร่งเป็นต้นชันใดวางแปลนก่อนนะได้ที่แล้วก็วางแปนแบบแผนพระโยคาวจรก็ฉันะนั่นแหละย่อมชำระศีลตั้งแต่ต้นทีเดียวภายหลังจากนั้นก็กระทําให้แจ้งซึ่งสมถะวิปัสสนามักผลและพระนิพาน อ, านะอีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างย้อมนะช่างย้อมเนี่ยนะซักผ้าด้วยน้ำด่างเมื่อผ้าสะอาดดีแล้วจึงย้อมด้วยดีนะย้อมด้วยสีต่างๆตามปรารถนาฉันใดก็หรือว่าจิตรกรหมายถึงช่างวาดเขียนเนี่ยนะผู้ฉลาดปรารถนาจะวาดรูปเขาย่อมกระทำการตกแต่งฟ้าก่อนหลังจากนั้นจึงวาดรูปชฉันใด พโยข่าวจรก็ฉนั้นเหมือนการชำระศีนแต่ต้นเทียวหลังจากนั้นก็กระทำให้แจ้งซึ่งสมถะและวิปั ส, สนาเป็นต้นเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าศีนเป็นเบื้องต้นอันนี้ข้อความนี้จากอภิธรรมเนอะแล้วก็ศีนเนี่ยนะเป็นจารณนะข้อแรกว่าศีนเป็นที่อาศัยใช่ไหมขอ 2, ้อสองศีเป็นเป็นเบื้องต้นข้อ 3, สามศีนเป็นจารณนะ ศีลนั้นชื่อว่าเป็นจรณะเนี่ยนะเพราะเป็นธรรมชาติเช่นกับเท้าเหมือนกับขาเหมือนกับเท้าเนี่ยนะเพราะเป็นเครื่องดําเนินไปจริงอยู่เท้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นจรณะเหมือนอย่างว่าสภาพการปรุงให้ดําเนินไปสู่ทิศย่อมไม่เกิดแก่บุรุษผู้มีเท้าขาดแล้วย่อมเกิดแก่บุรุษผู้มีเท้าสมบูรณ์นั่นแหละฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้น ศีลของผู้ใดแตกแล้วขาดแล้วไม่สมบูรณ์แล้วการดำเนินไปสู่ญาณเพื่อบรรลุพระนิพพานก็ย่อมไม่สำเร็จแก่ผู้นั้นส่วนผู้ใดมีศีลไม่แตกไม่ขาดบริบูรณ์แล้วผู้นั้นก็จะดำเนินไปสู่ญาณเพื่อบรรลุพระนิพพานฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าศีลเป็นจรณนะดังนี้เป็นเหมือนเท้าเลย เครื่องดําเนินไปนะโดยศักดิ์เนี่ยนะเครื่องดําเนินไปจารณะแต่ถ้าหากว่าวิชาจารณะสัมปันโนเครื่องดําเนินไปสู่ทิศที่ไม่ตายได้แก่พระนิพพานนะถ้าในจาระณะวิชาจารณะสัมปันโนนะ้นเครื่องดำเนินไป เ, นนเครื่องดำเนินไปหรือ ห, หรืออาจจะหมายถึงเท้าก็ได้ตรงนี้บอกเลยว่าเท้าเลยนะทำให้เดินไปสู่ทิศคือนิพพานถ้าเท้าขาดก็หมดสิทธิ์นะ ถ้าใช้ต้องใช้เดินนะแต่สมัยนี้ก็ยังมีข้อเทียงเก็ใช้รถเข็นสิท่านยังถลายไปได้หมดแหละเจเรเลยเจเรเจเรจระจรนเจโรเจโรนะแล้วสังเกตดูนะเช่นกามาวจรเนี่ยนะคำว่าจระตัวนั้นแปลว่าเที่ยวไปเครื่องเที่ยวไปกามาวจรจิตก็คือจิตที่เที่ยวไปในกาม ะทั้งวัตถุกามและกิเลสกามเลยเรียกว่ากา ม, มาวาจรจิตต่อไปนะศีนนี้ชื่อว่าสังยมะสังยมะคาว่าสังยมะนี่เครื่องสํารวมด้วยสา ม, มารถแห่งการระวังเชื่อว่าสังวรเครื่องระมัด ร, ระวังด้วยสา ม, มารถแห่งการปิดกัน้นโดยเหตุทั้งสองนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าศีลเป็นเครื่องสํารวมเป็นเครื่องระวังดังนี้พึงทราบวนจนะฐานในที่นี้ว่าสภาวะใดย่อมสํารวม การดิ้นรนโดยก้าวล่วงของบุคคลหรือว่าย่อมสัมรวมซึ่งบุคคลคือว่าย่อมไม่ให้เพื่ออันกระสับกระสายไปของบุคคลนั้นด้วยกะสามารถแห่งการก้าวล่วงฉะนั้นสภาวะนั้นจึงชื่อว่าสังยมะความสัมรวมคือไม่ให้ก้าวล่วงทางกายกรรมที่มีโทษวจีกรรมที่มีโทษเชื่อว่าสังวเนี่ยเครื่องระวังสังวเนี่ยเครื่องระวังเพราะย่อมปิดกั้นทวาร อันเป็นที่ก้าวล่วงแห่งบุคคลก็คือปิดประตูซะปิดประตูไม่ให้ก้าวล่วงใช่ไหมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปิดประตูก่อนน่ะสีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับประตูพระสังวรปิดกัน้นไม่ให้ความชั่วไหลไปทางกายทางวาจาคําว่ามุกขังเนี่ยนะสีเนี่ยนับว่าเป็นประมุขนะสีเนี่ยเป็นประมุข ค, คือเป็นหัวหน้าเป็นธรรมะสูงสุดหรือเป็นหัวหน้านั่นเอง เหมือนอย่างว่าอาหารสี่ของสัตว์ทั้งหลายเข้าไปทางปากแล้วย่อมแผ่ไปสู่อวัยวะน้อยใหญ่ชั้นใดกุศลธรรมอันเป็นไปในภูมิสี่แม้ของพโยคียก็ฉะนั้นย่อมเข้าไปในทางปากคือสีแล้วย่อมยังความสำเร็จแห่งประโยชน์ให้สมบูรณ์เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสีเป็นมุขะมุขะคือเป็นปากะนะเป็นหัวหน้าเป็นปากเป็นธรรมที่สาคัญมากนะถ้าไม่มีปากชีวิตจะอยู่ได้ยังไงนะ นันปากนี้นับว่าสําคัญมากต่อการทารัประทานอาหารเพราะฉะนั้นศีลนี้ก็เป็นมุขะเป็นปากแบบนี้แหละหรือว่าศีลเป็นประมุขะสาธุอธิบายว่าเป็นประธานคือเป็นธรรมะอันเลิศเป็นธรรมชาติถึงก่อนเป็นธรรมชาติประเสริฐสุดว่า ง, งั้นเถอะศีลเนี่ยทำให้ถึงก่อนทําให้อ่าเข้าถึงธรรมะชั้นสูงได้เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นธรรมะที่ประเสริฐ คำว่กุสลานังธรรมานังสมาปฏิยาแปลว่าเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลรธรรมทั้งหลายบัณฑิตพึงทราบ ว, ว่าศี่นี้เป็นเลิศเป็นธรรมะถึงก่อนเป็นธรรมะประเสริฐสุดเป็นประธานเพื่ออันได้เฉพาะซึ่งกุศลธรรมอันเป็นไปในภูมิสดังนี้นะแม้แต่การมาวาจรกุศลรูปาวาจรกุศลอรูปาวาจรกุศลและโลกุตระกุศลที่เรียกว่าเป็นไปในภูมิสีเนี่ยนะ กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยศีลนั่นแหละเป็นเบื้องบาตเป็นบาตฐานเป็นธรรมะที่ถึงก่อนถ้าศีลเหล่านี้ไม่มีไม่ดีศีลเหล่านี้ไม่มีถึงก่อนนะกุศลธรรมอย่างอื่นก็ขาดไปยกตัวอย่างแค่ศึกษาพระธรรมคําสอนให้เข้าใจลึกซึ้งเนี่ยนะถ้าศีลไม่ค่อยดีก็ศึกษายากเอางี้นะถ้าวันไหนเราไปด่าใครมาเนี่ยนะแล้วมานั่งอ่านพระไตรปิฎกดูเถอะใช่ไหมนั่งอ่านด้วยความสงบปิ๊งเลยเนี่ยทำได้ไหม อ่านอย่างสบายใจเลยเนี่ยไปมุสาวาตไปฆ่าสัตว์ไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วก็ลองอ่านให้พระไตรปิฎกเถอะอ่านพระสูตรบางสูตรนี่โอ้พระพุทธเจ้าว่าเราอยู่คนเดียวนั่นแหละอ่านแล้วฟุ้งซ่านอ๋อเขบอกว่าวิปฏิสารจะเกิดกับลัทธิบุคคลอ่ะเป็นโรคของคนดีเนี่ยโรคของคนดีนี่วิปัิสานเนี่ย คนไม่ดีไม่มีสิทธิ์เป็นเลยถ้ามิจฉาทิฏฐิไม่มีสิทธิ์เป็นโรคเป็นวิปฏิสารไม่รู้สึกร้อนเลยปกติเขาก็แสดงว่าเป็นปกติเป็นคนมีหิริโอตะปะนะถ้าเป็นท่าเนเ น, เนเนี่ยแสดงว่ามีสิทธิ์คุยกันรู้เรื่องถ้าคนที่เร่าร้อนเพราะศีลบ่อยๆเนี่ยนะแสดงว่าคนนี้โปรดได้แต่ถ้าคุยเรื่องศีลและเฉยไม่เดียงสาเลยเนี่สันน้ก็มีธุระไปทําอย่างอื่นก่อนอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องพวกนี้เลยเดี๋ยนะ าชาตินี้คงเจอเจอกั น, กนยากเหมือนกันคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ อ, อมีเยอะนะถ้าหากว่าใครที่ไม่รู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวเมื่อรู้เรื่องศีลแล้วนี้ก็นับว่าเป็นคนที่ที่ควรห่างไว้เนี่ไหมเพราะว่าแม้แต่ศีลที่เรารักษาก็จะเป็นหานะภาคียะทันทีเลยเป็นไปเพื่อความเสื่อมทันทีเลยเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะพูดให้เราไม่เห็นคุณของศีลเลยนะเขาสามารถเช่น บางคนนี่มีความสามารถสูงสามารถยกเอาสมัยเป็นต้นมาที่บายว่าไม่ต้องรักษาศีลข้อนั้นก็ได้และยกเอาสมัยนี่นะมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบบางคนเนี่ถึงขนาดแทบจะรู้ใจพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์อยู่นะอุ้ยผ่อนผันสิ่งเหล่านี้หมดแล้วนะว่าไปนั่นเขาเก่งมากเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนประเภทนั้นถ้าคบมากศีลที่มีอยู่นะเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองเราจะไม่เห็นอณนนิสง์ของศีลเลยแต่ขอ ง, องมาได้คาถาปลอบใจอยู่อย่างหนึ่ง เขบอกว่าถ้าศีนไม่ทันสมั ย, ยแต่ว่านรกมันก็ไม่เคยลืมเลยนะนรกก็ยังทันสมัยอยู่เสมอมันถ้ากุศลศีลที่ปิดนรกเนี่ยไม่มีแล้วมนรกไม่ได้มีสมัยเลยนะมันก็มีทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ